ก็เรามาพบกันเนืย่ยเกี่ยวกับการทำบีในทำบีในทำให้เราได้โอกาสพบกันตามการตามเวลาจะใช่เราพบกันด้วยหลวงพ่อหลวงตาอาจารย์ที่ไหนทำบีในต่างหากที่ทำให้เรามาสู่ที่นี่ได้ก็เป็นอันเดียวกันหลายชีวิตก็มา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 ไม่เหมือนวัตถุสิ่งของกันเื่นเลยว่าน่าเจมีปัญหาอะไรในโลกนี้ในตัวเรานี้ไม่มีปัญหาเลยเลยแด่จึงมีวิธีเรื่อง น, นี้อย่างสมบูรณ์แบบในพระสูตรก็สอนไว้ที่เราสาธยายทําวัดเช้าทําวัดเยน็นในพระสูตรทั้นมีตำราเอามาเป็นพิธีกรรม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 ทางหนึ่งไปอบายภูมิคือสัตวโลกเดือดฉันเปิดสิโลไก่้าไปได้ถ้าจากจะไปเอื้อมือเหมือนกันชิดชั่วทำชั่วผู้ชั่วไปได้ทันทีปไปสวรรค์ก็ไปได้เหมือนกันคนไปสวรรค์นี่พันคือคนมีศีลพวกเราเนี่ยกำลังจะไปสวรรค์นี่พันมีศีลและวความชัวทางวุดีทาบุญแน่เทาน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 มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงเป็นวัตถุภายในเป็นวัตถุภายนอกทำให้เกิดทาวรทำให้เกิดประตูต่อกันเชื่อมกันตามมันสัมผัสเป็นาวาวรจะเป็นรับประตูอากันทุกะเข้ามาหูได้ยินเสียงเป็นประตูอากันทุกะเข้ามาหลังนี้จะบอเร่งกายใจเสมอกันตาหูมัก็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 แพงเราเราก็เปลี่ยนเป็นตัวไปทุกเป็นดอกไม้ทุบเทียนไปถ้าเราเปลี่ยนได้นี้แม้จะมีอะไรก็ตามถ้าเปลี่ยนที่การไปททำเราหัดตรงนี้โลกมัจะมีลถแบบไหนก็ตามจะมีนินทาเสินเฉินสุขทุกได้เสียเราก็เปลี่ยนเป็นตัวไม่เป็ น, อ, น, ปป น, นะอะไราาเลยมันรู้เพราะมันเห็น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 ใช้ภายในเรียกวอัจฉัตตาธรรมคือภายในมันมีภายนอกภายในภายนอกแสดงให้กันเห็นได้ภายในจแสดงให้กันเห็นได้แต่ว่าเห็นด้วยเจ้าตัวเองคนอื่นจะไม่เห็นแต่ตัวเราเห็นก่อนลูกก่อนเพราะเราเป็นเจ้าของเอื้อมมือของเราเหมือนบราณท่านว่าแรงลูกเลื่อละลุกลุย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 วันทุกข์จเนี่ยมันจะแดงให้เราเห็นเห็นทุกข์โอ้โธอื่นแล้ววะเห็นความรดับทุกข์โอ้ข้าโจรเข้าไปหาวันเราเห็นงูเนี่ยโอ้โธจงอังมันชูโขึ้นทา้งไหนที่ไม่มีงูอะไปทางโ น, น้นออกไปไหนหรือว่านั่งอยู่ตรงนั้นต้องออกไปหนึ่งเก้าพนไหมสองเก้านไหม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 ในสัญญาในสังขารในวิญญาณไ้จุ่มอเลยมันติดมาเป็นแผลเป็นแป้าเป็นสีต่างๆมันทุกข์สนชีวิตเราเจ้าทุกข์สนมันชอบแปรอความรักชอบแปลความชังชอบไปหาความสุขชอบไปหาความทุกข์ความทุกข์มันก็เอาความชังมันก็เอาความรักก็เอาวัดติดไปเลย มันเกิดทเราไม่พอก็ไปเบียดเป็นคนเื่นมันก็ติดเมื่อเรามาดูเราโอ้ยเรามีงานการสนุกดีเมื่อไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เทียนนะเมื่อมีสติแล้วโอ้ยมันเห็นมันติดอะไรมาเยอะติดศิยศาส ต, ติดศักดิ์สิทธิ์ติดลิทธิปฏิหารพอจะมาทำลายตอนนี้โอ้ยมันก็ไม่ยอม วัายังเหนียวแน่นเหมือนปิงมันกัดเราเราจะไปดึงมันออกดึงปากหนึง่งมาติดปากหนึง่งจะไปดึงความทุกขอ์ออกจะไปดึงเอาความสุขเข้ามามันไม่ใช่ขี้ยาแบบนั้นหลวงปู่เทียนพูดว่าเราดึงปิงออกจากขาปิงมันกัดขาเราดูดเตือนเราถ้าไปดึงปากหนึง่งมันติดติดปากหนึง่งดึงอีกปากหนึง่งมันติดติดปากหนึง่งไม่ต้องดึง เอายาฉุนเอาน้ำมันกัดใส่ยาฉุนบีบลาดลงไปที่ปากปิงปิงก็หลุดออกทันทีเลสมัยทุกวันนี้เขาก็ใช่ทับยาท้ำยามียาทาหลวงตาไปอยู่นิวยอร์กสหรัฐเห็นก้อนเห็นสวยๆอยู่ในไใ้วัตฟาอารามเขเลยไปนั่งก้อนเห็นนั่งสร้างจังหวะบนก้อนเห็น พิกซ์นีวิ่งกัาไปไม่ได้ไม่ได้นโนโนโนเขาถือขวดยานะฮะขวดน้ำยาอะไรทาขาทาตัวทาไปตามตัวป้องกันเห็บเห็บวงอันตรายถ้ามากัดแล้วเป็นโรคพิการได้มันอันตรายมากกว่าเห็บหมูแต่ก่อนในบ้านเรามีเห็บหมูเยอะแยะ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 รูปแบบแบบมันแช่ไม่ได้แต่มันแช่ได้เมื่อเรามีความรู้สึกตัวถ้าเคลื่อนไหวไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สําเร็จประโยชน์เป็นภาษาเป็นรูปแบบเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาพูดกับเป็นภาษาน้ตแค้วโน้ตคุนทองเวันเราสวดวันไหวพระถ้าเป็นภาษาโน้ตแค้วนกตคุนทองไปก็ไม่รู้อะไรเลยต้องเป็นภาษาธรรมด้วย